เนี่มาขึ้นปัญหาอีกต่อไปคือเราอุตริกรณียปัญหาเป็นปัญหาที่อุตริเนี่ยแปลว่ายิ่งขึ้นเนี่ยนะต้องทําให้ยิ่งอะนะหมายว่า ต, ต้องต้องต้องทำให้ยิ่งยิ่งให้มันล้ำล้ำขึ้นไปอะนะพระเจ้ามิเรียนถามว่าพระคุณเจ้านาเกษตรพวกท่านกล่าวกันว่ากิจที่ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งพระตถาคต พระตถาคตทรงทํากิจทั้งหมดนั้นจบสิ้นแล้วนะโคนต้นสีมหาโพธิ์พระตถาคตไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำต่อไปอีกและไม่ทรงมีการรวบรวมกิจที่ทรงทําแล้วเนี่ยนะกระตังกรณียังใช่ไหมกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแปล ว, ว่ากิจสิบหกในการทำให้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะกิจเหล่านั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าทำเสร็จแล้วกิจสิบหกมีอะไรบ้างก็คือ อริยสัตวมี4ใช่ไหมทุกสมุทยัยนิโรธมร์โซดาปฏิมร์ทำกิจ4ประการคือทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญมร์ราะฉนั้นโสดาปฏิมร์ทากิจ4สกะทาคามีมร์ก็กําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญมร์อนาคามีมร์ก็ทํากิจ4ี่อรหัตมร์ ก, ก็ทํากิจ4เพราะฉะนั้นมร์สีคูณอริยสัตว์ 4. ในกิจของอริยสัตว์สีเท่ากับ16บหกเนี่ยนะเรียกว่ากิจ16 พวกท่านบอกว่ากิจเหล่านี้พระพุทธเจ้าทําเสร็จแล้วที่โคนต้นโพก็แต่ว่าเรื่องที่พระตถาคตทรงมีการอยู่หลีเกเล่นตลอดสามเดือนนี้ก็ปรากฏอยู่คือบางทีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายตั้งอันนี้ไปสามเดือนเนี่ยห้ามใครเข้าเยี่ยมห้ามใครเข้าเฝ้าเว้นไว้แต่คนส่งอาหารกับคนที่ถวายน้ําเท่านั้นคนอื่นไม่ต้องเลยเนี่ยนะไม่จะไม่มีการพูดคุยในระยะสามเดือนนี้เป็นต้น คำพูดเหล่านี้ก็มีพระคุณเจ้านาเกษณถ้าหากว่ากิจที่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งพระตถาคตพระตถาคตทรงทำกิจทั้งหมดนั้นจบสิ้นแล้วนะโคนต้นสีมหาโพธิ์พระตถาคตไม่ทรงมีกิจที่ต้องทำต่อไปอีกและไม่ทรงมีการรวบรวมกิจที่ต้องทำแล้วถ้าหากว่าจริงอย่างนี้ไซถ้าอย่างนั้นคาว่า ทรงมีการอยู่หลีกเล่นตลอดสามเดือนดังนี้ก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิดพลาดคือพระเจ้ามีิลินเขาถือว่าการลีกเล่นก็หลีกเล่นเพื่อทํากิจสิบหกทั้นถ้าพระพุทธเจ้ายังมีการหลีกเล่นอยู่ก็แสดงว่าอที่ว่าบรรลุอับไม่จริงถ้ามีการบรรลุจริงต้องไม่มีการหลีกเล่นฟังกันเถอะก็คือเขาบอกว่าถ้าหากว่าพระตถาคตมีการอยู่หลีกเล่นตลอดสมเดือนจริงแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่ากิจที่ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งพระตถาคต พระตถ า, าคตทํากิจนั้นทั้งหมดจบสิ้นแล้วที่โคนต้นพระศรีมหาโพดังนี้ก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิดพลาดเขาถือว่าคนลีกเล่นทั้งหมดหลีกเล่นเพื่อไปทํากิจ16ถ้าพระพุทธเจ้าบรรลุจริงก็ต้องไม่หลีกเล่นถ้าหลีกเล่นจริงก็ต้องอยังไม่ได้บรรลุปัญหาเขาขัดแย้งอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ทํากิจที่ต้องทําจบสิ้นแล้วไม่มีการอยู่หลีกเล่นคนที่ยังมีกิจที่ต้องทําเท่านั้นจึงจะมีการอยู่หลีกเล่น อันนี้เป็นลัทธิเลยนะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นทิฐิอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าคนที่เจ็บป่วยเท่านั้นน ะ, น ะ, นะมีอุปมาด้วยนะในธรรมดาบอกว่าเหมือนคนที่เจ็บป่วยจึงมีกิจที่ต้องทำด้วยยาสำหรับคนที่ไม่เจ็บป่วยประโยชน์อะไรด้วยยาเล่าคนหิวเท่านั้นแหละจึงมีกิจที่ต้องทำด้วยอาหารสำหรับคนที่ยังไม่หิวประโยชน์อะไรด้วยอาหารเล่าฟังแล้วมันก็น่าเชื่อมันนะถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะ เออมันก็ใช่ก็พูดถูกอ่ะใครที่ต้องหลีกเร่นก็แสดงว่ายังต้องมีกิจต้องมีการปฏิบัติอีกสิใครที่ปฏิบัติเท่านั้นแหละที่มันต้องหลีกเล่นถ้าปฏิบัติเสร็จแล้วหลีกเร่นทําไมเนี่ยนะเหมือนคนหิวทำไมจึงต้องการอาหารถ้าไม่หิวเอาทําไมอาหารพระกุณเจ้านาเกษตรคนที่ได้ทํากิจที่ต้องทําจบสิ้นแล้วย่อมไม่มีการอยู่หลีกเล่นคนที่ยังมีต้องการหลีกเร้นเท่านั้นจึงจะมีการ คนที่มีกิจเท่านั้นจึงจะต้องมีการอยู่หลีกเล่นฉันนั้นเหมือนการปัญหาแม่นี้ก็เป็นหาสองเงื่อนตกมาถึงแก่ท่านตามลำดับแล้วท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถอะอธิบายให้ฟังทีเถอ<ฮ>ะปนาเกษตรก็บอกว่ากิจที่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งพระตถาคตพระตถาคตทรงทากิจนั้นทั้งหมดจบสิ้นแล้วที่โคนต้นพระศีมาโพ พระตถ า, าคตไม่ทรงมีกิจที่ต้องทำต่อไปอีกและไม่ทรงมีการรวบรวมกิจที่ทรงทำไวแล้วจริงใช่ที่ต้นโพนี่พระองค์ทากิจเหล่านั้นเสร็จจริงพระผู้มีพระภาคเจ้ามีการอยู่ห ล, ล, ลีกเล่นตลอดสเดือนอันนี้ก็จริงบางบางช่วงนี้15วันบางช่วงนี้เดือนหนึ่งบางช่วงนี้3เดือนเนี่ยนะมีการหลีกเล่นอยู่หลายครั้งด้วยกัน คือหมายความว่าตอนที่พระองค์หลีกเล่นเนี่ยไม่มีเวนยสัตว์ให้ให้สงเคราะห์เนี่ยนะพระองค์ก็จะหลีกเล้นอย่างบางเรื่องเนี่ยตอนที่ ต, ตัทยาปราชิกที่พระพิสุฆ่าตัวตายช่วงนั้นพระองค์ก็หลีกเล่นพระองค์เห็นแล้วว่าถึงพระองค์อยู่พระองค์ก็ห้ามให้เขาฆ่าตัวตายไม่ได้เพราะว่าอุปนิสัยเก่าเนี่ยมันมีกําลังมากแล้วก็กรรมเป็นปัจจัยก็ทําให้กลุ่มพระพิสุข ป, ประมาณ500ร้อรูปฆ่าตัวตายถึงพระองค์อยู่พระองค์ก็ห้ามไม่ได้ นะก็เหมือนกับว่าพูดแบบภาษาหนี่ยหมอเก่งมากทำไมเห็นคนไข่จะตายแล้วบอกว่ามหมอบางคนบอกไม่ต้องไปตามมาแล้วนะทำไมทำไมจึงบอกปฏิเสธการตามล่ะหมอจะไปทาอะไรได้เนี่ยว่าหมอไม่ได้ใช้เนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนะนะสรุปทบทวนมาว่ายอมรับว่าพระพุทธเจ้าทํากิจที่โคนต้นโพจริงและพระองค์ลๅกเรนก็จริงขอถวายพระพร การอยู่หลีกเล่นเนี่ยเป็นของมีคุณมากแลพระตถาคตแม้ทุกพระองค์ทรงหลีกเล่นแล้วจึงทรงบรรลุพระสัพพันญุตยานพระตถาคตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทรงหวนระลึกถึงคุณแห่งการหลีกเล่นที่พระองค์ได้ทำไว้แล้วนะที่พระองค์ทำไว้ดีแล้วจึงทรงซ่องเสพการหลีกเล่นคำว่าหลีกเล่นในที่นี้คือเน้นกายวิเวกนะเห็นว่าพระองค์เนี่ยรู้เลยว่ากายวิเวกนี่มีคุณมาก สพระพุทธเจ้าทุกองค์ลียกรเณรเจงบรรลุอย่างที่สามหัวนระลึกถึงคุณของการลียกรเณรขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษได้รับพรได้รับพรได้รับโภกกระซับจากสำนักของพระราชาแล้วเมื่อหัวนระลึกถึงคุณแห่งพระราชาที่ทรงทําไว้ดีแล้วนั้นก็ย่อมกลับมาสู่สถานที่พำนักแห่งพระราชาอยู่เรื่อยๆฉันใด ขอถวายพระพรพระธถาคตแม้ทุกพระองค์ทรงหลีกเร้นแล้วจึงทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณพระธถาคตเจ้าเหล่านั้นเมื่อทรงห่วนระลึกถึงคุณแห่งการหลีกเล้นที่ที่พระองค์ทรงทําไว้ดีแล้วนั้นจึงยังซ่องเสพการหลีกเล้นอยู่ฉะนั้นเหมือนกันที่พระองค์ลีกเร้นเพราะการระลึกถึงคุณของการหลีกเล่นนั่นเองก็คือหลีกเล้นก็คือการยัวิเวกเพื่อจิตวิเวกเมื่อมีจิตวิเวกเพื่อจะได้ทํา อุปธิวิเวกให้แจ้งนะ ว, วะวิเวกกายวิเวกก็คือสำหรับผู้ที่อยู่คนเดียวจิตวิเวกสำหรับผู้ที่ระงับนิวรณ์อุปธิวิเวกสำหรับผู้ที่เห็นพระนิพพานที่พ้นจากสังขตะธรรมทั้งหลายขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นคนขี้โรคเป็นทุกข์เป็นไข้หนัก พอได้ไปหาหมอแล้วก็ถึงความสวัสดีได้เมื่อหัวระลึกถึงคุณของหมอที่หมอได้ทําไว้ดีแล้วนั้นก็ย่อมคบหาหมออยู่เรื่อยๆฉันใดขอถวายพระพรพระตถาคตแม้ทุกพระองค์ทรงอยู่หลีกเล้นแล้วจึงทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานพระตถาคตเจ้าเหล่านั้นเมื่อทรงระลึกถึงคุณแห่งการหลีกเล้นที่พระองค์ทําไว้ดีแล้วนั้นจึงยังทรงท่องเสพการหลีกเล้นอยู่ อธิบายว่าที่พระพุทธเจ้าหลีกเล่นไม่ใช่หลีกเล่นเพื่อทํากิจในการแทงตลอดอริยสัตว์แต่หลีกเล่นเพราะระลึกถึงคุณแห่งการลีกเร่นเพราะพระองค์หลีกเล่นนี่แหละจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรคุณอา น, นิสงส์แห่งการอยู่หลีกเล่นมียีสิบแปดอย่างเหล่านี้ น, นะฟังยีสิบอย่างแล้วนี่แหมใครจะหลีกเลนก็ได้นะซึ่งเป็นคุณที่พระตถาคตทรงหลีกเล่นแล้วจึง ขนาดนั้น่ะพระองค์บรรลุแล้วพระองค์ก็ยังท่องเสพการหลีกเร้นอยู่อีกเพราะมันมีคุณตั้งยี่สิบแปดอย่างะนะขนาดบรรลุแล้วยังกลับไปหลีกเร้นอีกยี่สิบแปดอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งการอยู่หลีกเร้นย่อมรักษาตนผู้หลีกเร้นคือคนที่หลีกเรนเนี่ยนะรักษาตนหมายความว่าเช่นรักษาสุขภาพอย่างดีเนี่ยนะคิดดูว่าช่วงไหนเราคลุกคลีมากๆออกงานสังคมวันละเจ็ดรอบเนี่ยนะ กับอยู่เงียบเงียบสว่างเนี่ยอันไหนดีกว่ากันท่านการลีกเร่นเนี่ยรักษาตนว่า ง, งันคือเรียกว่ารักษาตัวนะรักษาสุขภาพโดยรวมทั้งหมดโดยการหลีกเลนข้อสองการอยู่หลีกเล่นย่อมทําให้เจริญด้วยอายุอันไห น, นมีก่อนวันก่อนโยงเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าพระรูปหนึ่งท่านหลีกเลนเออท่านรับแขกจนตายเขว่างันเรา เขอโอโยดึกดื่นเที่ยงคืนถ้านก็นั่งคุยก็โยมอยู่นั่นแหละว่างนั้นนะทุกวันอย่างนั้นในที่สุดท่านอายุสั้นเลยก็ว่างนั้นมอนวดก็เล่าให้ฟังงั้นก็ท่นก็บอกอันนีคือโทษของการไม่หลีเกเลนใชน่นการหลีเกเลนเนี่ยทให้อายุยืนนะใครอยากอายุยาวก็อย่าไปคลุกคลีกันมากอ่างั้น แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่รีกร้นและอยู่รีเครียดนะต้องจิตตวิเวกด้วยนะไม่ใช่ไหมไกายนี่ลีกร้นจริงแต่พวกทางใจเต้ไปหมดเนี่ยนะเดี๋ยวไปเยี่ยมคนนั้นทีเยี่ยมคนนี้นทีโกรธคนนั้นทีไม่ไมาเยี่ยมแม้ใจก็จะไปต่อว่าคนนั้นสน่อยเป็นต้นท้ายอย่างนี้ไม่วิเวกนะนั่นนะักเก่าอันนี้ข้อต่อข้อสองงบอกว่าลีกรันนี่ทำให้อายุยืนก็คือเจริญด้วยอายุสอเออสาการลีกรันย่อมมอบกําลังให้ หมายความว่าอยู่คนเดียวเงียบๆรับอาการสดเชื่นกับเข้าสังคมตลอดเนี่ยสุขภักด์กำลังอันไหนสดเชิ่นกัก น, นนะกาลังทางร่างกายจะเป็นยังไงบอกว่าเพลียอะไรก็งั้นเพลียญาติญาติมามากจนเพลียอะไรก็งั้นอันลักษณะนั้นแหละผลการหลีกเล่นเนี่ยทำให้มอบกําลังให้ทําให้มีกําลังขณะเดียวกันเนี่ย คนที่ลีกเล่นเนี่ยนะอยู่คนเดียวนี่อยู่สบายในอิริยาบถสด้วยไม่ต้องไปวางตัวอะไรมากมายใช่ไหมจะยืนก็นสบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็นกนสบายสบายไปหมดแหละพะะนันก็เลยทําให้มีเรี่ยวมีแรงมีพะละมีกําลังเท่านั้นอย่างที่สี่การอยู่หลีกเล่นย่อมปิดกั้นโทษได้นะการอยู่คนเดียวเงียบๆนะปิดกั้นโทษเราสังเกตดูว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการสมาคม เกิดจากการคลุกคลีเมื่อมีการคลุกคลีกันขึ้นปัญหาทั้งหลายแหล่สารพัดเข้ามาแล้วเราเคยเห็นมาอยู่คนเดียวจนมีปัญหาสร้างปัญหาเพราะอยู่คนเดียวยากแต่ถ้าเข้ามู่เข้าคณะเข้าพวกเข้าสังคมเมื่ อ, อไร่เราเป็นไรเรื่องพอได้คุยกันเมื่ อ, อไร่แล้วก็เอาละเนี่ยนะไอตอนที่ไม่ค่อยคลุกคลีกันนนะั้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะมีแต่คนดีหมดเลยพอเริ่มคลุกคลีกันเมื่ อ, อไร่เริ่มรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อไรโอ๊ยมีแต่คนเลวว่างั้นดีแต่คนรู้จักกันคนเดียวเนี่ยนะ พันไอปิดกั้นโทษปิดกั้นเรื่องเสียหายด้วยเนี่ยนะปิดกั้นการทะเลาะบาแวงปิดกั้นปัญหาพันการหลีกเร้นเนี่ยคือปิดกั้นปัญหาได้หลายอย่างด้วยกันข้อที่ห้าบอกว่าการอยู่หลีกเร้นย่อมขจัดความเป็นคนไม่มียศหมายคําว่าคําว่ายศในที่นี้แปลว่าบริวารเนี่ยนะก็คือคําว่ายศเนี่ยแปลว่าบริวารยศคิดว่าคนคนที่เรียกว่าเข้าสังคมมากๆ กับคนหลีกเล้นเนี่ยในแง่ของพระพิสูจนเนี่ยนะใครมีลูกศิษย์มากกว่ากันอพระที่วันวันหนึ่งเข้าแต่สังคมคลุกคลีรับกิจนิมนต์เชา้าเย็นเชา้าเย็นเชา้าเย็นกับพระที่อยู่เงียบเงียบหลีกเล้นเนี่ยนะพระรูปไหนมีลูกศิษย์เยอะเนี่ยนะพระพระที่เข้ากิจนิมนต์ทุกวันนะบางทีแทบไม่รู้จักใครเลยเพราะไปแต่ฉัน้นเฉยๆนะเป็นคณะปูรกะใช่เฉยเท่า น, นั้นหนหะ ไปแค่เรียกว่าเป็นพวกกลุ่มคณะปูรกาเช่นเขานับให้ครบสี่รูปเขานับให้ครบ10รูปอย่างพระที่อย่างเช่น น, นะอย่างสวดศพทุกวันนี่ไม่ใช่จะรู้จักคนเยอะนะเขาไม่รู้จักยิงกันสักคนหรอกอ น, นะเพราะนั้นเขาบอกว่าพระที่มีบริวารมากๆคือพระที่หลีกเล่นว่ากันพระที่มีลูกศิษย์เยอะๆนี่จะเป็นพระที่หลีกเล่นอันนี้พูดในแง่ของวงการพระนี่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆพระยิ่งแบบปีหนึ่งเนี่ยออกมาคบคนครั้งหนึ่งบางทีเนี่ย ถ้าทำได้อยังงั้นจริงๆนะคนรู้จักเกือบทั่วประเทศเพราะเขาก็ <ๆ S 1> คุกคนจะช่วยโฆษณาโฆษณาก็บอกพวกนี้จะบริวารเยอะออกมาทีคนต้องรับเต้ไปหมดเลยต่อไปหการอยู่หลีกเล่นย่อมนำมาเขาเรียกว่าย่อมนํามาสู่ความเป็นคนมียศก็แปลว่าคนที่มีการหลีกเล่นจะได้รับการยอมรับจากสังคมเนี่ยนะพระพิสูจนที่มีการหลีกเร่นมากๆอยู่ในที่สงบสงบ สังคมยอมรับมากสังคมเลื่อมใสามากจัดการอยู่หลีกเร้นย่อมบันเทาความไม่ยินดีอ่ะยินดีนี่แปลว่าอารติอ่ะความไม่ยินดีนี่แปลว่าอารติเนี่ยนะแปลว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลเบื่อหน่ายในการหลีกเร้นเพราะนนั้นพระที่หลีกเร้นบ่อยๆเนี่ยจะไม่เบื่อในการเจริญกุศล น, นะจะเห็นคุณของการเจริญกุศล จริงอยู่ตอนแรกๆเวลาไปหลีกเร้นเนี่ยมันเงาบอกไม่ถูกเขบาบอกงั้ น, นมันเงาด้วยมันมันเหมือนกับมันเครียดมันง่อยไปหมดแต่ถ้าเจริญกรรมาฐานเป็นแล้วหลังจากนั้นไปจะมีความสุขมากเลิกเบื่อทันทีเลยเนี่ยนะจะเลิกเบื่อเลิกหนในการหลีกเร้นเลิกเบื่อเลิกหนชีวิตจะเริ่มมีความสุขขึ้นนะนะมีความสุขที่เปรียบเรียกว่าพระบางรูปท่านบอกว่าสุขนอขอาะขาองั้น อีกอย่างหนึ่งการหลีกเร้นย่อมทําความยินดีให้ตั้งขึ้นคือยินดีในการเจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพาเวตาประธรรมีนเจริญยิ่งขึ้นการอยู่หลีกเร่นย่อมขจัดความกลัวเสียได้นะถ้าหลีกเร่นใหม่ๆอาจจะ ก, กลัวบ้างนะแต่ถ้าหลีกเร้นไปนานๆก็เลิกกลัวละเลิเลกกลัวได้แล้วก็ใหม่ๆนี่ก็ใครที่หลีกเลนเป็นเนี่ยจะเป็นคนเหงาไหม บางคนนี่กลัวโรคเงาที่สุดเลยนะกลัวไม่มีใครรู้จักกลัวไม่มีคนคุยด้วยเพาะงั้นคนที่หลีกเล้นบ่อยๆเนี่ยขจัดความกลัวได้ขณะเดียวกันการหลีกเล่นก็เป็นการเพิ่มคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะจึงไม่ได้ต้องกลัวอะไรเพราะความที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมก็ไม่รู้จักกลัวอะไรขอ้อ10บอกว่าการอยู่หลีกเร้นย่อมสร้างความกล้าหาญทําให้เป็นคนกล้าขึ้นใช่ไหม ถ้าหลีกเล่นได้บ่อยๆเนี่ยไม่รู้จะ ก, กลัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าคนทั่วๆไปโดยมากกลัวเปล่าเปลี่ยวใช่ไหมกลัวอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวได้สบายๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วโลกนี้เพราะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะงั้นเพราะว่าคนที่อยู่คนเดียวโดยเฉพาะอยู่บําเพ็ญสมนะธรรมเนี่ยนะมันจะมีคุณธรรมอย่างอื่นเข้ามาอีกตั้งมากมายเช่นว่าเมื่อหลีกเล่นแล้วอะ่ะได้เห็นอริยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะกล้าหรือมันจะขาดมั้งจึงคนที่หลีกเล้นมากๆจึงมีแต่ความกล้า กล้าตรงนี้ไม่ได้แปลว่าบ้าบินนะคนละอย่างกันกล้าก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่แบบไม่สะดุง้งไม่หวาดระแวงอย่างนั้นนะเรียกว่าคนกลา้าต่อไปการข้อสิบเอ็ดเนี่ยนะการอยู่ลีกเกรนย่อมขจัดความเกียดคร้านได้อะนะอยู่รีเรนเนี่ยสมมุติว่าอย่างบางคนเนี่ยปกติเนีขี้เกียจสุดๆเลยนะแต่ถ้าลีเรนเนั่นนะต่อไปจะไม่ค่อยขี้เกียจ เพราะทุกอย่างต้องทําให้ตัวเองหมดต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างหมดเนี่ยนะคนที่อยู่คนเดียวได้จริงๆไม่ใช่คนขี้เกียจเลยเพราะฉะนั้นใครที่ที่ขยักค่อนข้างขยันสูงมากจึงจะอยู่คนเดียวได้อันนี้หมายถึงว่าในสังคมที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกนะมันจะต้องได้รับการช่วยเหลือตัวเองหมดเช่นตักน้ําเองหาฟืนเองทําอะไรเองปัดกวาดเองเช็ดถูเองทุกอย่างทําเองหมดเนะี่ยคนที่ทําได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านทางกายและ ทางใจเนี่ยนะเพราะใครจะไปดูแลแล้วสิ 12. บอกการอยู่หลีกเร้นย่อมทําให้เกิดความเพียรก็คือสมบัติทานนิ่จดีเพียรละอากุศลแล้วก็เพียรเจริญกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการ13บอกว่าการอยู่หลีกเร้นย่อมขจัดราคะได้เนี่ยนะเพราะว่าคนที่อยู่ลีกเร้นได้เนี่ยแสดงว่ากําจัดการ ม, มาราคะได้รัศมีสมควรเลยแหละ ไม่งั้นเนี่ยใจกลัดกลุ้มด้วยราคาถามว่าจะหลีกเร้นต่อไปได้ไหมโดยมากยากพันคนที่หลีกเร่นได้มากได้นานก็แสดงว่าขจัดราคาได้ตามสมควรแก่สมถะและวิปัสนาเนี่ยนะต่อไปสิบสี่การอยู่หลีกเร้นย่อมกำจัดโทสะได้เพราะว่าคนที่หลีกเร่นเนี่ยนะกับคนเข้าพวกใครเจริญเมตตาได้มากกว่ากันนะคลุกคลีมากกับหลีกเล่นเนี่ยเมตตาไหนจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง พันหลีกเร้นเนี่ยขจัดโทสะด้วยเมตตาได้อย่างต่อเนื่อง15การอยู่หลีกเร้นย่อมขจัดโมหะได้การพิจารณาขันธาตุอายตนะเนี่ยนะสำหรับคนคลุกคลีกับคนหลีเร้นใครพิจารณาได้มากกว่ากันคนหลีกเร้นเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทได้มากฮัลกการอยู่หลีกเร้นจึงสามารถขจัดโมหะได้ 16การอยู่หลีกเร้นย่อมถอนมานะได้เนี่ยนะแปลว่าเลิกเลิกถือตัวเลิกยิงเลิกพยองเลยนะถ้าหากว่าหลีกเร้นได้เนี่ยนหะลีกเร้นได้ บ, บ่อยๆก็ไม่รู้จะไปอะไรนะไปมีมานะถือตัวอะไรกับมดกับแมลงว่าข่าเป็นมนุษย์มาแล้วไง น, นะถือตัวกับพวกยุงไหมไม่มีไม่รู้จะไปถือตัวกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรเ น, นะ <laughs> นนะเพระ้อก็เลยเรียกว่าถอนมานะได้17การอยู่หลีกเร้นย่อมทําลาย วิตกคืออกุศลวิตกได้เพราะถ้าหลีกเล่นได้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะกำจัดความฟุ้งซ่านได้ไเรียกว่าวิตกก็คือฟุ้งซ่านนั่นแหละเลิกคิดมากะนะกลายเป็นคนที่ไม่คิดมากแล้วรักษาโรคคิดมากได้ แต่นี้แบบว่าที่ที่พูดเนี่ยคำว่าหลีกเลนเนี่ยคือหลีกเล่นตามคาสอนนะไม่ใช่หลีกเลนไปเรื่อยเปื่อยหมายก็ว่าเก็บข้าวเก็บของเดินไปอยู่ป่าดุมๆแบบที่เรียกว่าพอฟังอู้หลีกเล่นมันดีเหลือเกินก็เลยหอบเสือหอบหมอนไปเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก่อนนั่นก็เกินไปเพราะทางพระพิสูจน์นี่ท่านถือว่าตามธรรมเนียมบอกว่าพระพิสูจน์ที่จะหลีกเล่นต้องอยู่กับอุปชาจารย์อย่างน้อย5ปีสําหรับผู้ฉลาดและผู้สามารถเท่านั้นนะถ้ า, าว่าไม่ฉลาดไม่สามารถ อยู่กับครูอาจารย์ตลอดชีวิตเนะฮะต้องถือนิสัยตลอดชีวิตมาอนกันถ้าฉลาดถ้าสามารถอย่างน้อยห้าปีวันภายในห้าปีนี้ท่านเรียนอะไรบ้างคนฉลาดเนี่ยเรียนห้าปีพระไตรปิฎกอ่านห้าปีครบรอบไหมอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะถึงห้าปีไหมโอ้ยห้าปีได้ทั้งสามรอบสองรอบสามรอบแล้วมั้งนะนะถ้าถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยนะถ้าภายในห้าปีเนี่ยถ้าเอาจริงเนี่ยนะเราเว้นไว้แต่ปีละหน้าถ้าอย่างนี้ก็ คงหลายชาติยูท่าละข้อ18เนี่ยนะสิการอยู่รีเกรนย่อมทําจิตให้เป็นเอกคตาได้มีอารมณ์เดียวก็คือจิตเป็นเอกคตาด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินี่นะจิตก็จะดารงมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิข้อ19ก้ารอยู่ีเกน ย่อมทําให้ผูกจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานได้ก็คือผูกจิตได้ไหมายความว่าผูกกับกรรมฐานได้ใครที่รักษากรรมฐานได้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะการหลีกเลนจะช่วยเจริญให้กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องใครที่อยากมีความต่อเนื่องในการเจริญกรมกรมฐานเนี่ยการหลีกเลนเนี่ยช่วยได้20การอยู่หลีกเล่นย่อมทําให้เกิดความบันเทิงคนที่หลีกเลนได้เนี่ยนะจะไม่ใช่เป็นคนเครียดบันเทิงก็คือมันตรงกันข้ามกับคนเครียด คนที่หลีกเล่นได้อย่างผาสุกจริงๆเนะี่ยจะมีความบันเทิงเนี่ยนะมันจะมีความร่าเริงเรียยว่ายิ้มนิดๆด้วยซ้ําไปเนี่ยนะยีนะ่สิบเอ็ดการอยู่หลีกเล่นย่อมทําให้เกิดความเป็นคนน่าเคารพเนี่ยนะนะคนเข้าพวกมากขยันพูดขยันคุยแบบเรียกว่ากลุ่มต้อนรับเลยนะแนกต้อนรับทั้งหลายเนี่ยน่าเคารพไหม ย, ยา ก, ก น, นะเพราะฉะนั้นการหลีกเล่นเนี่ยนะการอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยนะช่วยทําให้คนกลายเป็นคนน่าเคารพทันทีเนี่ยนะ เขาว่าอย่างอย่างสมมุตินะอย่างในบ้านเราเนี่ยใครที่พูดมากคลุกคลีบ่อยเนี่ยนะนั่งเรียกว่าอยู่คนเดียวไม่เป็นเลยเนี่ยเป็นคนที่น่ากเกรงใจไหมน่าเคารพก็คือเป็นคนที่น่ากเกรงใจมากเลยนะคนที่ลีกเร้นเป็นคือคนที่น่ากเกรงใจ22การอยู่ลีกเร้นย่อมทําให้เกิดลาบย่อมทําให้เกิดลาบสาการะเนี่ยนะถ้าคิดอยู่ง่ายๆนะอย่างว่าเอาเอาเป็นว่าพระที่อยู่ป่า ก, กับพระอยู่ในเมืองเนี่ยพระรูปไหนมีบริเ ข, ข้าของมากที่สุด พระอยู่ในเมืองบางทีเข้าไปในกุฏิแทบไม่มีอะไรเลยนะบางรูปแต่พระที่อยู่ตามที่หลีกเล่นนะเราบอกอ๊ย้ยท่านกันดานแน่นอนคนนี้ก็ขนไปให้คนนั้นก็ขนไปให้กลัวท่านจะเดือดร้อนเพราะท่านเหล่านี้ต้องเอาของมาแบ่งให้พระที่อยู่ในเมืองใช่เง้นะบางทีมันกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยในสมัยนี้จริงๆมันเป็นอย่างงี้อ น, นะพระอยู่บ้านกับพระอยู่ป่านะพระอยู่ป่าเนี่ยโอ๊ย ไม่เคยแทบไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่เลยแต่พวกอยู่บ้านจริงๆเนี่ยแทบจะหงชันด้วยซ้ําไปเพราะมันไม่มีจะฉันบางทีเพรันการอยู่ในหลีกเร้นเนี่ยทำให้มีลาบเนี่ยนะนนถ้าจะเรียกว่าผู้ที่ต้องการลาบสการ ะ, ะส่วนหนึ่งจึงจึงทําตัวเป็นคนหลีกเร้นคนก็จะเริ่มนับถือเพราะงั้นการสร้างความนับถื อ, อบางท่านที่มีจิตคิดอกักบุลนี่จึงหลีกเร้นแต่ว่าการหลีกเร้นเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้มีลาบอยู่แล้วเนี่ยนะ นี่ต่อไป23ามการอยู่หลีกเล่นย่อมทําใหเ้เป็นที่นหน้านอ บ, น, อบน้อมคือสมมุติถ้าเราแบบว่าถ้าเราเห็นพระที่คลุกคลีพูดมากวันวันหนึ่งะนะหมายความว่าไม่ใช่พูดธรรม ะ, ะน ะ, ะพูดเรื่อยเปื่อยเรื่องโน้นทีเรื่องนี้ทีพูดไปเรื่อยเปื่อยกับพระที่เงียบเงียบเนี่ยถามว่าถ้าเราจะเลือกกราบเราจะกราบพระองค์ไหน นะถ้าเราจะกราบพระเนี่ยนะก็ต้องเลือกพระที่ที่หลีกเร้นวนาะดูแล้วมันน่ากราบน่าไหว้หน่าเลื่อมใสเป็นต้นเนี่ยนะต่อไป24เนี่ยนะการอยู่หลีกเร้นย่อมทําให้ได้รับปีติก็คือประโมดปมีติเกิดจากประโมดประโมดเกิดจากอวิปปิสารอวิปปิสารเกิดจากกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเกิดจากกุศลศีลเป็นต้นฉะผู้ที่ได้รับความปีติบอกว่ า, วาสังเกตดูเนี่ยนะ พระรูปเดียวกันเนี่ยตอนหลีกเรนกับตอนที่คลุกคลีเนี่ยตอนหลีกเร้นเนี่ยท่านจะมีความสุขหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขมากแต่ว่าเมื่อเข้าพวกเมื่อไหร่ก็เครียดมาละฮะมันก็ตรงกันข้ามกับปีติเลยต่อไปการอยู่หลีกเร้นย่อมสร้างความปรามโมทเนี่ยข้อยี่สิบห้าเนี่ยทำให้เกิดปรามโมทเปลื้มเนี่ยนะเอ่อคนที่ลีกเรนเนี่ยจะเปลื้มในกุศลธรรมเปลื้มในคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยนะ 26การอยู่หลี่ยรั้นย่อมทําให้เห็นสภาวะแห่งสังขารทั้งหลายอันนเห็นสังขตะธรรมทั้งหลายเห็นสังขารธรรมทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายก็คือธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นการพิจารณาปฏิจจสมุปาทนั้นอันนพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายเนี่ยลเลี่ยรนจะทําให้พิจารณาได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งสังเกตดูเนี่ยนะถ้าความรู้เท่ากันเนี่ยคลุกคลีมากกับหลี่ยรนเนี่ยการหลี่ยรั้นเนี่ย ในหนึ่งวันนะเกิดความเข้าใจเท่ากับคลุกคลีเป็นเดือนเนี่ยนะเล็กเน้นหนึ่งวันเนี่ยพิจารณาพระธรรมได้เท่ากับคนคลุกคลีเดือนหนึ่งเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันจะสงบแล้วก็ต่อเนื่องสามารถพิจารณาอะไรได้อย่าง กว้างขวางโดยที่ไม่มีปริพเน์ส่วนคนที่คลุกคลีเนี่ยมันต้องวางแผนในการคลุกคลีเจอคนนั้นจะต้องคุยอะไรคนโน้นเขาว่ามาเขาจะคุยอะไรมันมีแต่การวางแผนเพื่อจะการเกิดการพูดคุยกันเป็นต้นดังนั้นการหลีกเรนเนี่ยทำให้สามารถพิจารณาสังขารธรรมได้มาก27การอยู่หลีกเร่นย่อมทําให้เพิกถอนปฏิสนธิในภพทั้งหลายได้แปลว่าการหลีกเลนกับคนที่คลุกคลีแนวโน้มใครจะบรรลุได้มากกว่ากัน ผู้ที่จะบรรลุโดยมากก็คือคนที่หลีกเรนเนี่ยนะผู้ที่หลีกเรนเพราะนั้นการหลีกเร้นนี่ทําให้เพิกถอนปฏิสนธิในภพด้วยอรยิยมรรคเนี่ยนะเช่นปฏิสนธิในอบายปฏิสนธิในภพที่8ดเพิกด้วยอะไรด้วยโสดาปฏิมรรคปฏิสนธิในภพที่สองเป็นต้นในกางมาพบด้วยสกัตาคามีมรรคเพิกปฏิสนธิในกางมาพบด้วยอนาคามิมรรคเพิกปฏิสนธิในภพทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคทั้น การหลีกเล่นทาให้เพิกปฏิสนธิในพบต่างๆได้ปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าต่อการสืบตอนพบสู่พบการต่อคติสู่คติต่อกําเนิดสู่กําเนิดเนี่ยนะไอการที่จะตัดการเชื่อมต่อในวัตฏะได้เนี่ยด้วยอนุภาพของอรยิยมรรตต้องอาศัยการหลีกเล่นสุดท้ายการอยู่หลีกเล่นย่อมมอบสามัญญผลให้อย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่บรรลุต้องหลีกเล่น อย่างพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะบริวารติดตามเป็นพันก่อนจะตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยบริวารติดตามเป็นพันก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องได้รับการหลีกเล้นพระองค์หลีกเล้นอ ย, านาย่างน้อยเจ็วันจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะเมื่อมีการหลีกเล่นแล้วจึงได้ตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่นาายนะทำไมพระปัญจวัคคีย์จึงหนีออกไปท่านบอกว่าเป็นธรรมนิยามเป็นธรรมนิยามว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องหลีกเร้นก่อนแล้วจึงจะบรรลุ พรนั้นด้วยธรรมดาแห่งธรรมเรียกว่าธรรมนิยามคือเป็นความธรรมดาอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์เพราะจะทําให้แบบนึกเบื่อขึ้นมาไม่เป็นเรื่องอะจริงเหตุผลไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะโอ้ท่านฉันมากโอ้เวียนมามากๆแล้วกลับมาฉันนี่ขนาดอไม่ฉันยังไม่บรรลุแล้วมาฉันจะได้บรรลุไงโอ้เบื่อไปแล้ว ที่จริงมันไม่ใชเหตุผลเลยนะสำหรับคนที่เขานับถือเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเครียดว่าแทบจะถวายชีวิตให้พระโพธิสัตว์โดยซ้ําไปอยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลถ้าจะกล่าวไปแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องเอออาจารย์น่าจะมีวิธีการใหม่ๆมั้งเออขอขอเรียนตามแต่ว่ามันเหตุผลไม่สมควรนะนะแต่นั้นอ่ะด้วยธรรมนิยามธรรมนิยามทําให้เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมด า, าพระปัญจวัคคีย์ก็เลยหลีกนี้ออกไปเนี่ยนะเรียกว่าด้วยธรรมนิยามต้องการ เพระพระพุทธเจ้าตรัสรู้โสดาปฏิผลอขอเข้ไปถ้าตรัสรู้นี่ใช้กับมรรคทาให้แจ้งโสดาปฏิผลทําให้แจ้งสกะทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลทั้งหลายก็ด้วยอาศัยการลีกเกรนนั่นเองขอถวายพระพรคุณแห่งการอยู่ลีกเกรนมี28อย่างเหล่านี้แลซึ่งเป็นคุณที่พระตถาคตทรงระลึกถึงแล้วก็ยังทรงทร้งเสพการอยู่ลีกเกรนเนี่ยนะ หลายคนพอฟังเข้ามาหัว น, นี้สงฆ์ยีสิบแปดอย่างกําไรอย่างเดียวเลยนะยี่สแปดอันนี้สงฆ์แปลว่ากําไรนะนะเขาบอกว่าเราเห็นกำไรนอเ น, นอนเลยยี่สิแปดอย่างเออหน้าหลีกเล่นนะนะพอบอกอะไรนะเจอคลุกคลีมีปัญหามืออะไรอย่สิบแปดอย่างแล้วเนี่ยหลีกเล่นในตั้งยี่สิบแปดอย่างอยากลีกเล้นอีกแล้วพอหลีกเล่นไปอย่างงั้นอย่างงี้มาคลุกคลีต่อดีกว่าอย่างนะางี้แหละ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพระองค์เห็นคุณานิสงเห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการหลีกเร้นพระองค์รละลึกถึงอุปการะคุณเหล่านั้นพระองค์ก็ยังทรงเสพการหลีกเร้นอยู่สุดท้ายที่เป็นข้อที่น่าสนใจขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงมีพระดำริสำเร็จแล้วดำริปแปล ว, ว่าสังกปะแปล ว, ว่าความปรารถนาเสร็จสิ้นแล้ว พระพุทธเจ้าปรารถนาตอนเป็นพระโพธิสัตว์คืออะไรปรารถนาสัพพัญยุตยานพระดำริตัวนั้นแปล ว, ว่าความปรารถนาพระองค์ปรารถนาสัพพัญยุตยานความปรารถนาของพระองค์ก็เสร็จสิ้นแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ใคร่จะทรงเสวยรสที่น่ายินดีรสที่น่ายินดีแห่งสมาบัติทั้งหลายซึ่งสงบแล้วก็เป็นสุข จึงทรงซ่องเสพการอยู่หลีกเร้นคือเมื่อลีกเร้นแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถที่จะเข้าพระสมาบัติเช่นอารหัตผลสมาบัติที่มีฌานสี่เป็นบาตรต่อเนื่องกันเป็นวันเป็นคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ได้พรัะการลีกเร้นเนี่ยทำให้เกิดวสวิมุติสุขได้อย่างสบายๆเนี่ยนะขอถวายพระพรพระตถาคตทรงซ่องเสพการอยู่หลีกเร้นด้วยเหตุสี่อย่างเหล่านี้แล ด้วยเหตุสี่อย่างมีอะไรเพิ่มอีกบ้างสี่อย่างคือขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทั้งหลายท ร, ท, ร ท, ร ท, รทรงส่องเสพการอยู่เรีกเร้นเพื่อความอยู่ผาสุก น, นะอยู่แล้วสบายมากบางสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการอยู่เรีกเร้นสบายโดยที่สุดแม้แต่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยนะมันก็สบายไปทุกเรื่องเรื่องการครบเรื่องการฉันก็ามาฉนันั่งฉันให้คนดูกันนั่งฉันคนเดียวเนี่ยไหนสบายใจกัน มันก็คิดดูว่าพระคือคือการอยู่คนเดียวเนี่ยในทางสมณะเนี่ยถือว่าเป็นความสุขที่สุดเนี่ยนะอย่างที่สองพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงส่องเสพการอยู่หลีกร้นเพราะความที่เล็งเห็นว่าไม่มีโทษและก็มากด้วยคุณทั้งยี่สิบดอย่างที่กล่าวไปแล้วไม่มีโทษเลยที่เกิดจากการหลีกเร้นเนี่ยนะสามพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงส่องเสพการหลีกร้นแม้เพราะเป็นการ เพราะเป็นทางดําเนินแห่งพระริยเจ้าทั้งหลายทุกท่านไม่มีเหลือพระริยเจ้าทุกท่านต้องมีอัธยาศัยที่เรียกว่าวิเวกัตทยาศัยพระหันพระรยาทั้งหมดเนี่ยต้องมีวิเวกัตทยาศัยคือพระรยะทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีกระถาวัตถุสิบคือกระถามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอย่างที่พระนุรุทธะท่านไปตรึกในมหาบุริสวิตตกท่านรู้เลยว่าโลกุตระธรรมเนี่ยนะ เป็นธรรมของผู้มักน้อยไม่ใช่มักมากเป็นธรรมของผู้ส <es voir Dziękuję bunları> ันโดษไม่ใช่เป็นผู้สันโดษไม่ใช่เป็นคนที่สั่งสมเป็นธรรมของคนที่วิเวกไม่ใช่คลุกคลีเป็นธรรมของผู้ปราลบความเพียรไม่ใช่เกียรคร้านเป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่เป็นธรรมของคนหลงลืมสติเป็นธรรมของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ ฟุ้งซ่านหรือจิตไม่ตั้งมั่นเป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาปราศจากปัญญาเป็นธรรมของผู้ที่มี น, ปนิปปัญจะคือพระนิพพานเป็นที่มายินดีคือยินดีในพระนิพพานท่านเจดข้อแรกก็คืออริยมรรตสองข้อสุดข้อสุดท้ายก็คือพระนิพพานคือธรรมะของพระริยเจ้าทุกพระองค์นั้นต้องโอนไปหามรรผลนิพพาน พันธท่านจึงมีการตรัสรู้เพราะุ์ไอวิเวกเนี่ยจึงการไม่คลุกคลีเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะข้อที่สี่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงท่องเสพการอยู่หลีกเร้นแม้เพราะเป็นของประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสชมเชยแท่สองสรรเสริญเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเรียกพระพิสุมาตำหนิเพราะพระองค์เพราะพระพิสุเหล่านั้นลีกเร้น สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานานะนะก่อนจะปรินิพานเนี่ยเขามีการประกาศว่าอีกสามเดือนต่อไปพระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยห้อมล้อมเหมือนกับเงาตามตัวคอยติดตามพระพุทธเจ้าไปตลอดมีอยู่รูปหนึ่งท่านไปลเลีกเร้นบําเพ็ญเพียรอย่างเดียวเลยนะ ทีนี้พระภิกษุเหล่านั้นก็เลยมาบอกว่าพระรูปนี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าจับปริญญานี้ผ า, านแล้วก็ไม่สนใจไปอยู่เงียบๆไปหลีกเล่นอยู่คนเดียวนี่ไม่สนใจเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปริญญานี้ผ า, านแล้วก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าฟ้องพระพุทธเจ้าว่วารูปนั้นน่ะไม่สนใจพระองค์เลยดูสิเนี่ยพระองค์จับปริญญานี้ผ า, านแล้วก็ไปลีกเล่นอยู่เงียบๆคนเดียวองไหนไปเรียกไปที่เขาไปตามมาไปตามมาถึง brands. บอกว่าได้ข่าวว่าเธอลีกเล่นใช่ไหมไปอยู่คนเดียวใช่ไหมบอกว่า ข้าพระองค์ได้ข่าวว่าพระองค์จับปรินิพานเพราะนั้นข้าพระองค์เนี่ยปรารถนจาจับปฏิบัติก่อนให้บรรลุ ก, ก่อนที่พระองค์จับปรินิพานพระองค์ก็บอกว่าสาธุสาธุดีและพิสูจนทั้งหลายบอกที่จริงพระพิสูจน์ที่เหลือต้องเอารูปนี้เป็นตัวอย่างก <c oughs> <c oughs> ลายเป็นว่าคนที่ได้รับการชมเชยกลายเป็นพระภิสูจนที่หลีกเล้นเนี่ยนะ อ ง, ant, อง ant, ที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ชมแม้แต่คําเดียวเลยนะว่าเออเธอดีแล้วเธออย่าไปไหนเลยนะมาดูใจกันก่อนก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะไนะม่ได้เป็นอย่างงั้อะไรหรอกนั้นการสันเสริญนี่เชื่อว่าเป็นเป็นของประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทุกองค์สรรเสริญการหลีกเลนมากเนี่ยนะนะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นเป็นเอตัทคะในการอะไรเนะี่ย แสดงธรรมนะเอตทักฆะในการกล่าวกระถาวัตถุสิบพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีปกติกล่าวกระถาวัตถุสิบท่านสอนลูกศิษย์ บ, บรรลุห้าร้อยมีครั้งหนึ่งประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านให้ลูกศิษย์ของท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วท่านติดตามไปแต่รูปเดียวท่านไปรูปเดียวนะที่ท่านไปรูปเดียวเพราะท่านถือว่า เราเป็นผู้กล่าวคาถาวัตถุสิเราควรปฏิบัติอยู่ในคถาวัตถุสิบด้วยและพระพุทธเจ้าสรรเสริมพระปุณณนาะมันตานีบุตรมากสันเสริมทั้งต่อหน้าประชุมชนและต่อหน้าบริษัทมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าเราจะบัญญัติสิกขาบทเนี่ยนะบัญญัติว่าอยู่สองรูปเป็นอ ბ ัตแต่ว่าบัญญัติไม่ได้แต่ถ้าบัญญัติได้จะบัญญัติว่าอยู่สองรูปเป็นอ ბ ัต แต่ว่าปกติมันก็มันก็ไม่ใช่วิสัยอ่ะนะซึ่งในโลกนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็เลยแสดงมหาสุญญาตาสูตรเนี่ยมหาสุญญาตาสูตรเพื่อบอกว่าสูตรนี้ก็เหมือนกับสิกขาบทของพิสูจน์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะถือว่าแทบจะฟังแล้วคําอธิบายคํากล่าวแทบจะเรียกว่ามีความหนักแน่นฟังดูแล้วแทบจะหนักแน่นกว่าสิกขาบทด้วยซ้าไปเพราะะฉนั้นพระองค์ก็ในอัตถกถากล่าวว่าถ้าจะบัญญัติสิกขาบทได้บัญญัติว่า อยู่สองรูปเป็นอบับดเนี่ยนะเพราะการหลีกเร่นเนี่ยพระองค์สรรเสริญมากเนี่ยนะพันการหลีกเรนเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นต้นเนี่ยนะขอถวายพระพรพระตถาคดเจ้าทั้งหลายทรงท่อ ง, ง, งเสพการอยู่หลีกเลนด้วยเหตุสี่อย่างเหล่านี้แล ขอถวายพระพรพระธาคตเจ้าทั้งหลายทรงทรง่องเสพการอยู่หลีกเกรนเพราะยังทรงเป็นผู้มีกิจต้องทำก็หาไม่ไม่ได้หลีเร้นเพื่อทำปริญญากิจในการกำหนดรู้ทุกขสัพท์ ละสมุไทยคือละตันหาเป็นต้นก็หาไม่ทำพระนิพานให้แจ้งก็หาไม่นะเพื่อทำโสดาปฏิพนสกาธาคามีพนอนาคามิพนอรหัตตะพให้แจ้งก็หาไม่อยู่เพื่อเจริญโสดาปฏิมัคสกาธาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตะมักก็หาไม่เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่เพื่อทำกิจในการแทงตลอดอริยสัตว์และพระองค์จะทรงรวบรวมกิจที่ทำแล้วเอามาทำอีกก็หาไม่ไม่ได้ว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกก็ หาไม่แต่ทว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงซ่องเสพการอยู่หลีกเกรนเพราะทรงเล็งเห็นคุณทั้งหลายต่างๆกันตามประการดังกล่าวมานี้และโอ้ดีจริงพระคุณเจ้าสาธุานะพระคุณเจ้าข้าพระเจ้ายอมรับตามที่ท่านกล่าวมานี้แหละเพราะพระพุทธเจ้าทํากิจเสร็จแล้วก็หลีกเกรนได้นะก็เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วนะไอ้คําว่าหลีกเกรนเนี่ยตถาคตบอกว่า การหลีกเล่นคือการออกจากหมู่คณะไปสู่สถานที่วิเวกแต่เพียงผู้เดียวอยู่คนเดียวและก็หลีกเล่นจิตตั้งจิตเอาไว้ในสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะะหมายถึงการหลีกเล่นในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปหลีกเล่นง้อยอยู่คนเดียวเนี่ยนะบางคนก็ไม่ได้ไปหลีกเล่นอะไรหรอกไปเดินตรึกถึงเพลงอย่างเงี้ยเขาไหลีกเล่นที่ไหนเนี่ยนะหมายความว่า น, นี้ไปตรึกถึงสมถะและวิปัสสนาสายใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า